บทสรุป458ท่านทั้งหลายทำคืออนิยตสองสิกขาบทเขาพระเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วเขาพระเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคืออนิยตสองสิกขาบทนั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือเขาพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือเขาพระเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือ ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคืออนิจจสองสิกขาบทนี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้